ขอโมทนากับพวกเรานนะตั้งใจที่จะฟังพระธรรมเจตนาอยู่ในแง่ของศีลก็คือว่าท่านกร็รมาแยกสองส่วนเจตนาที่เป็นไปในส่วนของในส่วนของจารีกับวารีตะถ้าจารีก็คือเกี่ยวไปในเรื่องของทักษะาวาทั้งหลายก็คือเจตนาที่จะปฏิบัติ เจตนาที่จะปฏิบัติต่อพ่อแม่ให้ถูกต้องตามหลักของทิศทั้งหใครปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ไหมเช่นลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรอันเนี้ยอยู่ในฐานะของเจตนาเป็นศีลควรปฏิบัติอย่างไรควรมีเมตตากายกรรมคือกระทำทางกายต่อคุณแม่คุณพ่อ เมตตาวิจีกรรมพูดด้วยเมตตากับคุณพ่อคุณแม่ทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมเวลาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็คิดด้วยเมตตาเป็นต้นอย่างนี้นะใช้เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นต้นเน่ยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวยึดโยงระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่กับลูกกรณีการปฏิบัติต่อกันและการมีเจตนาจะทําจะอุปถากดูแลพ่อแม่ทั้งหลาย เจตนาตัวนี้เป็นเจตนาศีลแต่เป็นศีลชั้นไหนชั้นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติชั้นนี้ถ้าในภาษาของพระท่านเรียกว่าจารีตศีลเป็นจารีถามว่าตรงนี้เนี่ยนะถ้าจารีศีลไม่บริบูรณ์แล้ววาิตคือศีลห้า ศีลแศีล9าศีลสิบของคารวาทั้งหลายเป็นต้นหรือของพระเป็นต้นจากบริบูรณ์ไม่ใช่ฐานนะก็หมายความว่าท่านทั้งหลายถ้าปรับพื้นฐานถ้ายังการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นเหล่านี้ยังผิดพลาดเทียจเทียงก็คือว่าไม่ใช่แต่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวนะการปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่การปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ถ้าใครมีครูอาจารย์นะก็ยึดโยงท่านด้วยเมตตากายกรรมวจีกรร ม, มโมกขกรรมซึ่งเป็นเจตนาศสีนี่แหละปฏิบัติต่อท่านให้ถูกในฐานะสิทธิ์อาจารย์อาจารย์กสิทธิ์เนี่ยในฐานะที่เรากับมิตรมิตรกับเพื่อนระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนมีการยึดโยงการมีเจตนาการประพฤติปฏิบัติกันอย่างถูกต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีการยึดโยงเชื่อมโยงกันได้อย่างติดสนิทอย่างงี้นะ อย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาศีลทํางานแล้วและประการต่อมาคือว่าสามีกับภรรยาภรรยากับสามีหรือกับพี่บ้านนะอ่าลองไปดูที่เรายึดโยงกันดีไหมตรงเนี้ปฏิบัติกันได้ถูกต้องหรือไม่เจตนาศีลเราออกมาเพ่นพ่านถึงตัวกุศลศีลไม่ใช่ดูแลแม่ด้วยควาหมห่วงหงียดเป็นศีลไหมไม่เป็นเลยเห็นไหมเพราะเจตนาศีลเป็นเจตนาในกุศลจิตอ ถ้าในขณะที่ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อญาติมิตรปฏิบัติต่อเพื่อนและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีกุศลจิตเนี่ยเป็นตัวยึดยองประพฤติปฏิบัติขัดเกลาอย่างเนี้ย กายกรรมชื่อว่าชื่อว่าไม่ได้อบรมกายอะไไม่ได้อบรมกายเมื่อกายไม่ได้อบรมนะในชั้นของเจตนาในข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ได้กระทำให้ถูกต้องนี่นะก็ทำให้ถูกต้องเสียถ้าท่านตายไปแล้วก็ทำหน้าที่ต่อทาอะไรท่านล่วงรับไปแล้วก็ทำบุญูทิษเงี้ย เป็นต้นทำกิจให้ถูกต้องอย่าได้มานั่งอะไรเอาวรนที่หลังว่าทาไมเราไม่ทาที่ผ่านมามันไม่รู้ไงใช่ไหมโทษของความไม่รู้เนี่ยอย่าไปตีอกทุกตัวแต่เราจะเราจะตั้งหลักวันนี้อย่างไรเท่านั้นเองชีวิตต้องอย่างนั้นไม่ใช่เอาเอาปลารบผลหลังเขามาตอกย้ำปัจจุบันให้ตัวเองสุดลงสุดลงวิธีคิดไม่ผิดดีเออไผิดอีกเป็นอายโยนิโสมนสิการไม่ฉลาดในการคิดแก้ไข ถ้าตัวเจตนาศีลตัวนี้นะที่เป็นในข้อปฏิบัติในชั้นพื้นฐานเนี่ยที่เป็นจาริตรที่เป็นจารตศีลเนี่ยไม่แข็งแรงนะและจะเดินเข้าสู่กุศลศีลไม่ได้ตรงนี้ชาวพุทธขาดส่วนใหญ่อันนี้ความจริงเป็นแบบนี้เราจะว่าเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติหรือเรามาเข้ามาเดินในกุศล ในพระศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าแล้วอะไรหนอเป็นปัจจัยทำให้เรานั้นสุดอยู่ตลอดขึ้นสูงไม่ได้ตกต่ำตลอดเขาเรียกว่าฐานมันสุดปัจจัยอย่างทีนี้แต่ก่อนที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ปฏิบัติด้วยโลภะบ้างวยโทสะบ้างในโมหะบ้าง บ่นบ้างจู้จี้จุกจิตทําไปบ่นไปอ้างบุญคุณไปอะไรสารพัดอย่างนั้นเขาเรียกว่าทําผิดเหมือนมีศีลแต่ไม่มีเพราะศีลมันต้องเป็นชื่อของอะไรของกุศลกายวาจาและใจออกมามันต้องสะอาดสิใช่ไหมมันไม่ใช่ออกมาแบบหน้าดํำขมเครียดแทนที่จะเป็นความสุขแทนที่จะเป็นความดีน่าจะเป็นความปราบลื้มใจ กลับไม่เป็นกลับกลายเป็นความเครียดความวิตกกังวลก็จะอย่างนี้ก็ไปปรับเสียอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรของบุคคลผู้เมเจรณาทําวัดปฏิบัติให้เต็มอยู่วัดปฏิบัติทั้งหลายถ้าเป็นพระก็มีอุปชายวัดวัดในการที่ทําวัดปฏิบัติต่อที่สิทธิทพึงกระทําต่ออุปชาาจาย์หรือสัตทธิวิหาริกรวัด ที่อยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พื้นปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ของตนมีการถวายน้ําล้างหน้าภูอาสนะเป็นต้นข้อ น, นี้สมจริงดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพัธพิธามาว่าอะไรคือศีลก็ตอบว่าเจตนาเป็นศีลเห็นไหมเจตนาก็เป็นศีลมีขันแยกแระมีส่วนหนึ่งนี่พูดถึงเจตนาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนะเจตสิกก็เป็นศีลเดี๋ยวท่านจะไปกล่าวตัวอื่นความไม่โลภความไม่โกรธ ปัญญาสัมมาวาจาสมากามตาสมาชีวะเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปกล่าวสังวรก็เป็นศีลเดี๋ยวท่านจะไปกล่าวถึงในเรื่องของศีละสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรนี้จะไปกล่าวไว้ตามแบบอวิติกมะเนี่ยการไม่ก้าวร่วงเป็นศีลตัวนี้เอาหมดเลยนะถ้าอาวิติกมะในที่นี้ที่ถามถามว่าศีลเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นเป็นอะไรดีเป็นนามเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นกุศลในที่นี้ท่านขับเน้นเป็นตัวกุศลธรรมเลยนี้นะถ้าถ้าเอากุศลศีลก่อนนี่นะอวิติกรมากาความไม่ก้าวล่วงเนี่ยเป็นศีลเนี่ยความไม่ก้าวล่วงเป็นศีลเนี่ยท่านเอาตัวกุศลเช่นอ่าเช่นว่าความไม่ก้าวล่วงจากปณธิบาตเนี่ยมันจะต้องเป็นกลุ่มของนามธาทำรวมกันทั้งหมด เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นมามีเจตนามีมีความไม่เจตนาศีลเจรสิกศีลสังวรที่เขาเกิดร่วมกันเนี่ยนะะแล้วแต่อะไรจะมาเป็นใหญ่อะไรจะมาเป็นประธานก็แล้วแต่ในขณะนั้นนะ่ะเกิดภาวะการไม่ก้าวล่วงจากการลักเ อ, อไม่ก้าวล่วงจากการฆ่าการปฏิบาตไม่ก้าล่วงจากการลักใช่ไหม ไม่กล้าร่วงอาทินนาทานไม่กล้าร่วงกาเมษมิจฉาจาร์ไม่กล้าร่วงมุสาวาตไม่กล้าร่วงปีสุนาวาจาพุทธสวาชาสัมผาผดาปะไม่กล้าร่วงความโลภความโกรธและไม่กล้าร่วงมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นอะไรเป็นศีลเนี่ยเป็นความไม่กล้าร่วงอไอยนี้เป็นต้นมองยากไหมฉะนั้นศีลคือความไม่กล้าร่วงถ้าเวลาใด มีจิตที่เกิดถ้าไปฆ่าขึ้นมาเนี่ยนี่ถือว่าก้าวล่วงหรือยังก้าวล่วงแล้วถ้าไปลักนี่ก้าวล่วงหรือยังไปประพฤติผิดในกรรมก้าวล่วงแล้วพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพ้อเจอ้อถ้าความโลภเกิดขึ้นในใจก้าวล่วงหรือยังก้าวล่วงแล้วโกรธเกิดขึ้นในใจก้าวล่วงหรือยังเห็นไหมถ้าเกิดความเห็นผิดเกิดขึ้นในใจก็ชื่อว่าก้าวล่วงฉะนั้นศีลคือการไม่ก้าวล่วง บาปทั้งหลายทางกายกรรมวจีกรรมและทางมนโนกรรมนั่นแหละเป็นศีลเริ่มชัดเจนอย่างเดียวนี่กุศลศีลเป็นอย่างนี้ความไม่ก้าวล่วงเป็นแบบนี้ถ้าหากว่ามน ส, สิการเป็นไข้ไข้ครวญเป็นและเจริญกุศลศีลเป็นถามว่าตอนนี้ปฏิบัติกําลังจะเดินไปหรือยังปฏิบัติเดินอยู่ฮะการฟังธทำเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติรรมหรือไม่ เอาเริ่มเข้าใจใช่ไหมเริ่มเข้าใจแล้วการฟังทมไปถีนะมีท่าเกิดไปชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไหมไม่เป็นเไม่เป็นเลยไม่เป็นแล้วเนอ่าี้เริ่มไม่เป็นแล้วฟังทำไปโกรธไปปฏิบัติธรรมป่ะไม่เป็นฟุ้งซ่านไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยเราเริ่มเข้าใจแล้ว ทังทำไปกระมวลหงุดหงิดฟุ้งซ่านสารพัดเลยอย่างนี้ไม่เป็นปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติทำไปว่าใจนั้นก็จดจ่ออยู่ในพระธรรมคําสอนของพระศาสดาเข้าใจพระธรรมแต่ละครั้งคิดถึงพระศาสดาพระศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นเราได้เห็นธรรมของพระศาสดาแล้วแม้แต่น้อยนิดก็ยังมีความรู้สึกชื่นใจแม้ขณะนี้ ถ้าเข้าถึงอย่างต่อเนื่องอย่างยาวไกลจะมีความสุขสักเพียงใดโนโโเนาะเลยคิดอย่างนี้ก็พระศาสดาก็เหมือนคอยพร่ำสอนเราท่านทั้งหลายตลอดเวลาชีวิตจะมีความสุขไหมมีความสุขไม่ต้องร้องไห้เพราะใครอีกแล้วใช่ไหมจะ ช, ชีวิตก็โอ้โหแต่นี้แข็งแรงมากมั่นคงมากเลยเพราะมีพระศาสดาคอยพร่ำสอนตลอดเลยเนี่ยนะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติทำได้จเจริญกุศลศีลได้เนี่ย เขาที่บอกว่าท่านที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติจะเห็นได้จะเห็นได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือตัวกุศลศีลมันเกิดขึ้นมาแล้วมีความเข้าใจและจะไม่มีความเข้าใจผิดเลยเพราะการศึกษามาอย่างดีฟังมาอย่างดีไข้ครวญมาอย่างดีเทียบเคียงคําสอนอย่างดีก็ประพฤติปฏิบัตินี่ก็ชัดเจนแล้วถ้าอย่างนี้จะดีไหมล่ะถ้าอย่างนี้ก็ดีเลยเนี่ยเนี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกุศเิญกุศลศีล ถ้าจเจริญกุศลศีลก็ออกจากภาณฑิบาศได้ออกจากอธินาทานกามเมสุมิชาจารได้แล้วออกจากการพูดเทศสอเสียดคำยาเพ้อเจ้อได้แล้วไม่โลภเนี่ยไม่โกรธไม่เครียดนาสิแล้วก็เห็นถูกต้องบินสัมมาทิฏฐิเป็นกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเนะี่ยในชั้นศีนะคือปัญญาที่ไปเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจน เพราะเจตสิกศีลเดี๋ยวต่อไปไล่ไปตามลำดับจะรู้เลยว่าปัญญาเป็นศีลอย่างไงเจตนาเป็นศีลเพราะอะไรตอนนี้เอาดูต่อไปจะเห็นชัดเจตนาเพราะอัวัตจัดแจงเนี่ยเจตนาเจตสิกไงนะเป็นศีลเพราะเจตนานั้นจัดแจงซึ่งนามธรรมา ท, ทั้งหลายเพราะตัวเจตนานี่เขาประกอบได้ในจิตทั้งหมด ท่นักศึกษาพิธามรู้ใช่ไหมเจตนาเนี่ยเขาเกิดจิตเกิดเจตนาเกิดจิตดับเจตนาดับในโลภะจิตก็มีเจตนาโทสะจิตก็มีเจตนาโมหะจิตก็มีเจตนากุศลจิตก็มีเจตนาอัพยากตตาจิตก็มีเจตนาอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าเจตนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่เจตนาที่จะเป็นศีลที่จะกล่าวในยะนี้ก่อน ไม่กล่าวในยะของอกุศลศีลอภิยาขตาศีลนะกล่าวในยะของกุศลศีลก่อนหมายถึงเจตนาที่ในกุศลจิตเพราะเจตนานี่ธรรมชาติของเขาต้องจัดแจงอยู่แล้วจัดแจงอะไรจัดแจงผัสสะที่เกิดร่วมกันกับตน้อยในอารมณ์คืออย่างนี้ตัวเจตนาก็จะทํากิจในการมุ่งและนําสัมพยุทธธรรมสู่อารมณ์ก็คือจัดแจงนั่นเอง เช่นจัดแจงยังไงเด้เจตนาเขาจะจัดแจงอ่ะเพราะว่าธรรมะที่เกิดร่วมกับภาษาก็มีภาษาก็เกิดร่วมเวทนาก็เกิดร่วมสัญญาก็เกิดร่วมใช่ไหมสภาวะธรรมอื่นๆอีกเยอะสัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เกิดร่วมกับเจตนาหมดเลยฉะนั้นเจตนาจะทํากิจจัดแจงจัดแจงสภาพธรรมต่างๆที่เกิดร่วมกันกันกบตนนั้นนะ ให้ไว้กับอารมณ์จัดแจงไว้เหมือนบอกว่าเจตนาเหมือนหัวหน้าหัวหนาว้าเอาเราท่านทั้งหลายตอนนี้นะอย่างสมมติเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่นี่มีหัวหน้าอยู่คนสมมุตินะเอาไม่ชีเป็นหัวหน้ า, าพวกเราทั้งหลายวันนี้มาฟังทำกันใช่ไหมพวกเรากา็พวกเรานั่งสงบกันนะในการฟังตามพวกเราก็เชื่อแล้วฟังทำแล้วก็ทําตามเย่างนี้ นั่นแหละเหมือนเจตนาพวกเราก็เหมือนกับทําที่เกิดร่วมกับเจตนาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมตัวเจตนาทั้งหลายเวลาเกิดในจิตใดก็จะทํากิตในการจัดแจงอย่างเนี้ยจัดแจงแล้วประกอบไว้ในอารมณ์นั้นๆอย่างนี้เป็นต้นพอจะมองเห็นไหมทีนี้พอเจตนาเป็นศีลเจตนาเหล่านี้นะเป็นนามธรรมเลยเนี่ยก็คือเจตนาได้แก่เจตนาศีลศีลและเจตนาเจตสิกเป็นกุศลกรรมนะ ทำมาเป็นกุศลกรรมเนี่ยมีกิจพิเศษเขาเรียกพีชานิธานกิจจ์คือเป็นศีลเจตนากรรมทําหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์เพราะเมล็ดพันธุ์เพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อการเสวยผลต่อไปในอนาคตก็คือว่าตอนที่กุศลเจตนาเกิดขึ้นมาเเสียดชื่อว่าเพราะเมล็ดพันธุ์หรือยังพอเรียบร้อยแล้ว เมื่อมเมล็ดพันธุ์เก่าฤกษ์ศีและเจตนาเกิดขึ้นในกระแสะใจของท่านผู้ใดยอย่างต่อเนื่องแม้ในชาวนาแต่ละชาวนาที่เกิดขึ้นนะแม้ในกุศลจิตที่มีเจตนาพร่อเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยเรื่อื่นั้นนะชื่อเปว่าเป็นการพ่อมเมล็ดพันธุ์แล้วเป็นศีและเจตนาเป็นพีชาณิธานกิจเป็นการพ่อมเมล็ดพันธุ์เพื่อได้รับผลสืบต่อไปในอนาคต ทั้งในปัจจุบันนพบทั้งในอนาคตจพบและที่สุดจริงๆนะสีลเจตนาถ้าตั้งไว้ตรงนี่นะเป็นเบื้องต้นของมรรคพรหมจรรย์เ น, นี่ยเขาเรียกว่าไตรสิกขาข้อแรกคือศีนเนี่ยสีนเนี่ยเป็นไตรสิกขาข้อแรกเลยใช่ไหมสิกขาสามไงศีล ส, สมาธิปัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าปลูกเมล็ดพันธุ์คือศีลงในประชุมในกระแสของ ขันกระแสของชีวิตไม่ได้เลยเขาเรียกพ่อมเมล็ดพันธุ์ของกุศลศีลพ่อมเมล็ดพันธุ์ของไตรศิขาของพระโรมรรรัสซาสดาไม่ได้หน้าเสียดายมากเกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งทีใช่ไหมถ้าไม่สามารถพ่อมเมล็ดพันธุ์กล่าคือกุศลศีลฝังไว้ในกระแสชีวิตได้เป็นพุทธเสียหายมากแต่ถ้าสามารถพ่อมเมล็ดพันธุ์ได้นั่นแหละศิขาสาม คือตัวศาสนาได้ฝังแน่นในกระแสขันในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายแล้วก็พัฒนาจากศีลเจตนานั้นให้เกิดสืบเนื่องอย่างยาวนานานะทุกๆอารมณ์แม้รับรูปเป็นอารมณ์ก็ศีและเจตนาก็ตั้งก็เกิดดับเห็นไหม ก, ก็ก็ไม่ไม่หายไปแม้ได้ยินเสียงศีและเจตนาก็ไม่หาย ดมกลิ่นสีและเจตนาก็ไม่หายไปจากใจริมรอดสีและเจตนาก็ไม่หายไปจากใจใช่ไหมสัมผัสเย็นร้อนสีและเจตนาก็ไม่หายไปจากใจคิดนึกทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันสีและเจตนาก็ไม่หายไปจากใจอันนี้แสดงว่าเพราะเมล็ดพันธุ์ของกุศลสีนได้หรือยังได้แล้วอันนี้แปลว่าตัวศาสนาเกิดในใจอย่างเกิดไ ด, ด้ไม่เกิด ตอนนี้ตัวศาสนาเกิดในใจเราท่านทั้งหลายแล้วเมื่อศาสนาเกิดในใจแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำศาสนาของพระชินเจ้าฝังลากในกระแสของชีวิตของท่านแล้วชื่อว่าจุดเทียนเล่มแรกได้ย่างจุดเทียนเล่มแรกได้แล้วแล้วอย่าให้เทียนนี้ดับจุดต่อไปเรื่อยๆ เขาเรียกว่าแสงสว่างคือศีและเจตนาคือกุศลศีลสิกขาข้อแรกที่พระบรมศ า, ศาสดาตรัสรู้นั้นเริ่มฝังลากลึกและเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ในกระแสะชีวิตของท่านผู้นั้นและชีวิตของท่านผู้นั้นต้องเจริญเนี่นอนถ้าท่านศึกษาแล้วก็ท่านเจริญกุศลศีลไม่ดับเทียนไม่ดับไฟนั้นระหว่างถ้าไม่ดับไฟนั้นในระหว่างที่พัฒนาจากศีลที่เบื้องต้นไปพัฒนาจานถึงศีลเบื้องสูงได้ แล้วจะเข้าถึงความจริงของของชีวิตได้ฉะนั้นถ้าถามบ อ, อกว่าจะทารรศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองในโลกใบนี้ใบไหนก็ในกระแสชีวิตของแต่ละบุคคลนะนั้นถ้าเราจะเผยแผ่ศาสนาเราต้องจุดเทียนศาสนาคือศิกขาสามในกระแสจใจของท่านให้ติด ก, ก่อน ถ้าจุดเทียนคือจุดกุศลศีลไม่ติดเนี่ยแล้วเราจะไปกล่าวศาสนาใช่ไหมจะไปให้ศาสนาจเจริญที่ไหนตอนนี้เราท่านทั้งหลายสิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือกลัวศาสนาเสื่อมหรือกลัวว่าเราจะเสื่อมจากศาสนากลัวอะไรดิกลัวอะไรดิ กลัวขันห้าของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะตกจากศาสนามันจะเสื่อมจากศาสนานะเพราะศาสนาเป็นชื่อของสิกขาสามเป็นชื่อของพุทธพจพุทธวจนะทั้งสิ้นเหนไสีลสมาธิปัญญาเป็นตัวศาสนาทีนี้ศาสนาเนี่ยถ้าไม่ประชุมในกระแสจใจของท่านผู้ใดแล้วเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างยาวไกลอย่างยาวนาน ชื่อว่าศาสนาในโลกของท่านผู้นั้นเสื่อมไปแล้วและท่านจะไปลอกเรียกร้องศาสนาให้ท่านจะไปเรียกร้องศาสนาให้เจริญที่ไหนต่อไปก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวศีระเจตนาคือตัวศาสนาข้อแรกมันจะหายไปจากใจท่านท้เช่นไปกินอาหารทำยังไงไม่ให้ศีระเจตนามันเสื่อม เร่ต้องไปคิดใช่ไหหรือไปสนทนากับเพื่อนอยู่เนี่ยเคยเรากลัวไหมว่าสีเจตนามันจะหายไปหรือเดินไปตามถนนเนี่ยสีละเจตนามันจะเกิดในใจอยู่ไหมเพราะมันเกิดดาบนี่ถ้ากูสนลจิตไม่เกิดแล้วไม่ปารบเรื่องสีละเจตนาอย่างต่อเนื่องมันก็หายเอาสิเอาสิเธเนี้ยก็ต้องรักษาเป็นเพชรมณีอันล้ำค่าไหม กว่าที่พระาศาสดาจะตัดสรุปกุสุลศีลมาได้เนี่ยต้องบ่มเพาะบา ร, รมีมาตั้ง20่สิบผสงขายยี0 0 0บมหาดาบเนี่ยและเพชรอันเนี้ยเป็นเพชรที่มีค่ามากถ้าเราได้ประดับแล้วเนี่ยจะเป็นความงามของกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันสูงสุดนะเอาสิกายวาจาใจจะงดงามมากเมื่อศีลนัประดับในกระแสชีวิตของท่านทั้งหลายฉะนั้น ต้องศึกษาให้เรื่องสีในเข้าใจแล้วเอามาประดับดับในใจแล้วยืนเดินนั่งนอ น, น, อนคู่เหยียบก้มเงยก็พิฟดาอ้าปากต่างๆเหล่านี้ทํากิจต่างๆให้ศีและเจตนานะั้นไหลอ ย, อยู่ในกระแสใจได้อย่างต่อเนื่องอย่าง ย, างยาวนานนะ่ยยกเว้นหลับตื่นขึ้นมาก็ศีและเจตนาเดินต่อเห็นไหมเข้าห้องน้ําทํากิจทุกอย่างสีเดินได้ทุกที่ อันนี้ถือว่าได้ดีหรือยังถ้าอย่างเนี้ใช่ถ้าพุทธทบริษัทต้องเป็นอย่างนี้ท่า น, นถ้าเราศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่องเราจะเดินศีลเจตนาไม่ได้เมื่อเดินศีลเจตนาไม่ได้เนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่าลืมลว่านั้นเป็นการเพาะเมล็ดพันุ์นะเพื่อการเสวยผลต่อไป ฉะนั้นศีลเจตนากุศลศีลเจตนาที่เกิดขึ้นในกระแสะใจของเราท่านทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เกิดขึ้นจากการที่ต้องทำให้เกิดขึ้นศีลไม่ใช่เกิดเองนะอ้อนวอนให้เกิดได้ไ้ยศีลไม่ได้ต้องเกิดจากความเข้าใจต้องเจริญศีลเอาศีลเป็นธรรมที่ควรเจริญหรือเป็นธรรมที่ควรละหรือเป็นธรรมที่ควรประหาร หรือเป็นตามที่ควรํามไม่แจ้งเป็นตามที่ควรอะควรจเจริญถ้าเราไม่รู้จกักศีลเราจะให้ศีลมาเกิดได้ไห ม, ไมถ้าไม่รู้จักหน้าตาของศีลตอนนี้ศีลมีอยู่ในกระแสของชีวิตหรือไม่มีอยู่ในกระแสของชีวิตเราจะรู้จักไหมไ ม, ไม่รู้จักอีกนี่มันเป็นอย่างนี้มันเหมือนบอกว่าเอาเอาลูก ช่วยไปที่ตลาดนะไปชือ้อไปซื้อขนมก็แม่ก็ระบุขนมไปให้ให้ให้แม่เนะเราไปเราไม่เคยเห็นเลยขนมนี้เป็นยังไงไปที่ร้านค้ามันขนมเต็มไปหมดจะว่าอย่างไรเอาก็บอกว่าเอามาเจริญกุศลศีลเนี่ยเอาแล้ว เ, เป็นยังไงตอนเนี้ยเราก็เหมือนกับเดินไปตลาดแต่ตอนเนี้ยจีบกเอาจีบดวงไหนเป็นศีลเดีย โลภะก็เป็นจิตโทสะก็เป็นจิตโมหะก็เป็นจิตใช่ไหมอหิตุกาก็มีทั้งสิบปดมหากุศลก็แปดตัวที่แล้วในนั้นเอาตัวไหน เ, เจตสิกเอาตัวไหนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่รู้จักหน้าตาของศีลแล้วเราจะทํำยังไงเข้าใจอย่างเดียนี้ยฉะนั้นต้องรู้จักจริงๆในพระศาสนานี้พระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่สอนคําสอนแบบที่ว่าเอามาปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่บอกสิ่งที่เอามาปฏิบัติได้และพระองค์นั้นสอนละเอียดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดใช่ไหมแต่เราท่านทั้งหลายต้องเจาะต้องวิจัยต้องทําความเข้าใจเพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระชินพรเจ้าให้ได้ ตรงนี้ก็คือว่าศาสนาพรหมจารย์เป็นชื่อของศิขาสามและพุทธวจนะทั้งสิ้นใช่ไหมทีนี้เราจะเข้าถึงศาสนาพรหมจาร์ของพระเจ้าเพื่อมุ่งหมายมา ก, กับพรหมจาร์เราต้องการจะประพฤติพรหมจาร์นในศาสนาของพระชินเจ้าใช่ไหมเราก็จะต้องมาศึกษาในเรื่องของเบื้องต้นคือศึกษาเรื่องศีลเมื่อสักครู่เนี่ยเรารับศีลกันแต่ก็ต้องมาทําความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของศีลดังที่ได้กล่าวมา นี่คือเจตนาเป็นศีลสรุปก็คือว่าเจตนาเนี่ยเป็นทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ตอนนี้ขับเน้นกุศลกรรมก่อนที่เป็นกุศลศีลถ้าพูดถึงเรื่องกุศลกรรมเนี่ยหมายถึงเจตนาที่อยู่ในมหากุศลในมหากุศลให้สังเกตที่บางท่านเจริญกุศลศีลด้วยสมมนัสบางท่านเจริญกุศลศีลด้วยอุเบขา บางคนจเจริญกุศล ศ, ศีลแบบแข็งแรงมากเป็นอสังขาริปบางคนจเจริญกุศลศีลอ่อนแอมากเป็นศาสังขาริ์บางคนจเจริญกุศล ศ, ศีลที่มาพร้อมกับปีติใช่บางคนก็ไม่มีปีติประกอบอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเนี่ยเป็นให้สังเกตว่าเราจะเดินกุศลอย่างไงกุศลต่างๆเหล่านี้เป็นสังขารธรรมสามารถปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาได้ อย่าไปกังวลกับเรื่องการเจริญกุศลแล้วต้องใช้ความคิดถ้าไม่คิดกุศละศีลจะเกิดไม่ได้เพราะอารัมมณังจินเตติติจิตังเนี่ยธรรมชาติของจิตคือคิดอย่าไปกังวลนะทั้งหลายว่าเออเขาห้ามคิดเนี่ยไม่ได้ถ้ากุศลจิตเนี่ยต้องคิดแต่ถ้าอากุศลจิตต่างหาที่เราพยายามที่จะออกจากตัวนั้น คิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เสียหายขอให้เป็นกุศลแต่สําคัญมันจะไม่เป็นกุศลสังเกตให้ดีนะสังเกตที่ที่ใจของเราท่านทั้งหลายว่ากุศลจิตมันเกิดจริงไหมแล้วเป็นศีลเจตนาไหมเพราะถ้าศีลเนี่ยจะต้องเกิดได้ทุก อ, อ, นนอ า, กอกออารมณ์อันนี้พูดถึงเจตนาก่อนอย่าพูดถึงเจตสิกพูดถึงตัวอื่นแล้วจะเริ่มชัดขึ้นนี่พูดถึงเจตนาเห็นชัดก่อนนะว่า เอาเจตนาคือจัดแจงคือจงใจเนะนี่ยเช่นเจตนาในการที่จะดูอะดูดูดอกไม้เนี่ยบางคนดูปุ๊บเนี่ยความโลภเกิดได้ไหมถ้าความโลภเกิดเนี่ยศีลหายไปไหมตอนนั้นเนะี่ยความกโกรธเกิดไหมบางคนโอ้โหเกิดเกิดดอกไม้ไปฉีดยาเนี่ยโกรธเลยใช่ไหมกลิ่นไม่ไม่พึงปรารถนาให้กโกรธตอนนั้นศีลเกิดไหมในใจเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ หลงฟุ้งซ่านด้วยสงสัยลังเลสงสัยศีลไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมองมองแค่ทางทวารตาเนี่ยศีลก็ไม่เกิดก็ทั้งเยอะแยะอะถ้ามองอยังไงให้กุศลศีลเกิดก็เริ่มไข่ควรให้เป็นว่าดอกไม้นี้เป็นสิ่งมีเจ้าของบุคคลอาศัยดอกไม้นี้ทํากรรมชั่วกันได้เยอะเนาะ บางคนก็ทําปาณารีบาศก็ดอกไม้ทําธุรกิจสวนดอกไม้ค่ากันก็เยอะเนาะฆ่าสัตว์ฆ่าแมลงไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมทำปานาริบาศเยอะหมดบางคนก็ทํามาทินนาทานก็เพราะดอกไม้นี่แหละบางคนก็ประพฤติการเมียสุนมิจฉาจาร์กดอกไม้ไปให้แค่นี่แหละประพฤติการเมียสุนมิจฉาจารย์แย่ๆหมดเลยนะบางคนก็กล่าวเท็จบางคนก็ส่อเสียดคํายาเพ้อเยอะบางคนก็โลภบางคนก็โกรธเห็นผิดเยอะแยะเพราะไอ้ดอกไม้นี่แหละ แต่เราจะไม่ทําความทุศีนให้เกิดขึ้นจากการเห็นดอกไม้ครั้งนี้จากนําดอกไม้นี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไงกุศลศีลเดินไห ม, มนี่เขาเรียกมาจากการคิดไหมมาจากการคิดก็ฝึกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เกิดความสุขเกิดความชื่นใจเกิดกุศลจิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมีเป็นเลยสมควรเยวเวลาหรือยั มีใครถามปัญหาข้อเยนบออ๋อเย็นบนอนบนโอ้โหเจไอตัวตัวศีล น, นะถ้าเจตนาเจถ้าเจตนาศีลเป็นสังขารขันเจตสิกศีลก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมาชีวะความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเป็นสังขารขันเหมือนกัน อุ่มสังวรศีลนะศีลสังวรเป็นต้นเหล่านี้นะวิริยะสังวรขันติสังวรโดยส่วนใหญ่เป็นสังขารขันแต่พอมาพูดถึงในเรื่องของอวีติกามะการไม่ก้าวล่วงท่านขับเน้นทั้งหมดเลยเป็นกุศลจิตตูบาทเอาทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งหมดที่เป็นไปกับกุศลนี่ไปไปสรุปตัวท้ายตัวไหน ตัวอวีติกรรมศีลนะอวีติกรรมศีลฉะนั้นถ้านับเอาอาวิติกรรมศีลก็เลยเอานามมาทำทั้งสิ้นที่เป็นไปกับกุศลที่ปารบการที่ปารบการงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นนี่พอจะชัดเจนไหมที่จริงถ้าขับเน้นจริงๆคือตัวสังขารขันแต่เมื่อปารบตัวอวีติกรมมเลยเอาทั้งหมดเลย เอาทั้งกุศลจี่ดูบารดเลย